เช่นว่าผู้ที่ศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยชาติเป็นอะไรเนี่ยนะและผู้ที่มาสมัครศึกษาพุทธศาสนาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระก็เหมือนกับว่าเป็นคนในแล้วเนี่ยแปลสภาพจากบุคคลภายนอกมาเป็นพุทธบริษัทแล้วก็คลาดสมควรแก่พุทธบริษัทเขาจะว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นสมัยก่อนนี่เขาอกเอเนี่ย เดี๋ยวเดียร์ธีเขาจะว่าเอานะว่าเนี่ยสวาวกของธรรมนะโคโดมทําตัวกันแบบนี้แบบนี้เพแปลงก็ถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นเป็นอะไรเป็นคนในในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะแปลงก็ทําความชั่วอย่างนี้ได้อย่างไงแล้วก็ตัวเองก็ศึกษาเล่าเรียนบอกสอนแนะนําคนอื่นมาปานนี้แล้วจะมาทําความชั่วอย่างนี้ได้อย่างไรหรือตัวเองเนี่ยต้องการรับมรดกอะไรในพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยนะก็คือใช่ล่ะไม่ต้องการมรดกที่เป็น อะไรนะอมิธทายาตมรดกเนี่ยแปลาจากคำว่าทายาตบาลีแปลว่าทายาตนะทายาตแปลเป็นภาษาไทยว่ามรดกเนี่ยน ะ, ะตัวเองเนี่ยต้องการเข้ามาเป็นทายาตต้องการเป็นธรรมทายาตไม่ต้องการอามิธทายาตอมิตรที่แปลว่าเหยื่อหมายถึงปัจจัย่เนี่ยนะไม่ได้ต้องการอามิตรคือเครื่องนุ่งหมไม่ได้ต้องเรียกว่าพรหมจารย์คือการบวชเป็นต้นไม่ได้บวชมาเพื่อหาจีบโอน ไม่ได้บวชมาเพื่อหาอาหารไม่ได้บวชเพื่อหาที่อยู่าคากุติหรือไม่ได้บวชเพื่อหายาฉันไปวันวันหนึ่งแต่ถามว่าต้องการหาอะไรต้องการเป็นธรรมธายาตต้องการรับมรดกที่เป็นธรรมะเนี่ยนะมรดกที่เป็นธรรมะคืออะไรมรดกคือศีลมรดกคือศรัทธามรดกคือหิริอุตตะปะมรดกคือสุตตะจากะ ปัญญามรดกคือสติปัญญาสัมมาปาัญญาอิทิบาทอินทรีย์พระพุทธชงองค์มรดกทั้งหลายมรดกคือคุณธรรมทั้งหลายมีมรดสีผลสีนิพพานเป็นต้นมันทําตัวอย่างไรจึงจะคู่ควรที่จะรับมรดกที่เป็นคุณธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะมันถ้าทําตัวแบบนี้สมควรไหมที่จะรับอริยธรรมมรดกที่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก็บอกไม่สมควรถ้าไม่สมควรแล้ว หมายความว่าถ้าเราทําตัวแบบนี้คบแะไรว่าถูกตัดออกจากกองมรดกเนี่ยนะตัดถูกตัดออกจากอะไรคุณธรรมทั้งหลายในพระพุทธศาสนาแหมถ้าแบบอะนะเป็นบุตรที่ครอบครัวใหญ่ตระกูลใหญ่มีทรัพย์มากแล้วถูกเขาตัดออกจากกองมรดกเนี่ยนะถามว่ามันน่าเจ็บช้ำน้ําใจขนาดไหนใช่ไหมกองเยอะแยะพนเอินเทินทึกใสจแล้วบอกเธอไม่มีส่วนเธอไม่มีสิทธิ์เธอหมดสิทธิ์ไปเสียเถอะเนี่ยนะเราขอประนามเนี่ยนะจงไปถ้าอย่างนี้แหมมันน่าสงสารตัวเองขนาดไหนใช่ไหม อาจจะว่าเหมกจะต้องเดินทางไกลจะต้องใช้อริยทรัพย์เนี่ยนะมันคนที่เข้ามาในพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเคารพตัวเองยำเกรงตัวเองก็เกรงว่าเนี่ยเราทําตัวแบบนี้สมควรไหมคู่ควรไหมที่จะรับทรัพย์มรดกเพราะพรหมจารย์นี้เป็นพรหมจารย์ที่ประเสริฐนักแหล พระมาจารย์อ well. ันนี <establishing> ้อธิศีลเหล่านี้อธิจิตเหล่านี้อธิปัญญาเหล่านี้ศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าแนะนําโอว่าสั่งสอนกว่าพระองค์จะบัญญัติพุทธศาสนาได้อย่างนี้พระองค์ใช้เวลานานเท่าไหร่นะนะกว่าจะบัญญัติศีลมาแบบนี้กว่าจะบัญญัติสมถะและวิปัสนาอย่างนี้กว่าจะบัญญัติพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมเหล่านี้กว่าจะสอด เปิดเผยกว่าจะได้ประกาศถ้าธรรมจักเป็นต้นเหล่านี้จะต้องรวบรวมบา ร, รมีเท่าไหร่อย่างไรแล้วก็นานแค่ไหนกว่าจะได้ตรัสรู้พ้นสิ่งที่เราทําไม่ใช่เป็นสิ่งที่เล็กน้อยสิ่งที่เราเข้ามาศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติไม่ใช่เป็นสิ่งเล็กน้อยเลยแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าชีวิตทั้งชีวิตของพระพุทธเจ้าที่สั่งสมมากลับแล้วกลับเล่าตลอดสี่อสงไขยเศษอีกแสนกลกว่าจะได้ บัญญัติพระพุทธศาสนาอย่างนี้เข้ามาเมื่อเราเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วมีโอกาสอย่างนี้มีบุญขนาดนี้แล้วเนี่ยนะก็ทําไงทําตัวสมเหมาะสมสมควรคู่ควรหรือไม่าการคิดแบบนี้บ่อยๆเขาเรียกว่าว ก, รกระตุ้นต่อมอะไรต่อมฮีริให้มันงอกขึ้นนะนะให้มันโตขึ้นมันจะได้เป็นภูมิคุ้มกันปกป้องคุ้มครองบริหารตนให้พ้นจากความชั่วทางกายวาจาแลย ใจและที่สำคัญถ้าเกิดถ้าเกิดพลาดเข้าไปแล้ว อ, อ่า น, นะก็ลองสมมติคิดคิดลองคิดดูว่าถ้าตัวเองพลาดทำความชั่วเหล่านั้นออกไปอะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งถ้าเกิดทำความชั่วนั้นออกไปเราจะเราจะเคารพตัวเองไหมเราจะคิดกับตัวเองอย่างไรสมมตินะถ้าเกิดเราไปทำความชั่วแบบนั้นออกไปแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นคนอย่างไรในความคิดของเราเองเอ่ะ ประเมินตัวเองให้คะแนนตัวเองถ้าคะแนนเต็ม10เนี่ยติดลบหรือว่าบวกหนึ่งบวก2บวก3หรือว่าบวกที่เท่าไหร่ดีเนี่ยนะในคุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นต้นของเราเนี่ยแค่ไหนในคุณค่าความเป็นพุทธบริษัทของเราเนี่ยประเมินตนด้วยตนเธอว่าตัวเองเนี่ยให้คะแนนชื่นชมหรือเตะเตียนหรือบางทีเนี่ยเอ๊ะฉันเนี่ยขนาดนี้นะสงสัยจะต้องเข้าคอร์สอบรมตัวเองอย่างน้อยอาทิตย์นึ่งมั้งเนี่ยนะมีข้อเลวร้ายตั้งหนึ่งสองสาี่ห้าหเจดแปด แม่นึกหาความดีตัวเองเพอให้ปลื้มใจเนี่ยมันยากแท้เนี่ยนะนก็ลองมาคิดดูเพราะนี่ความชั่วทั้งหลายตัวเองก็ติเตียน ต, ตัวเองก็ทำวมาติเตียนตัวเองอย่างเช่นบางคำที่เราพูดออกไปตามแก้ตัวเท่าไหร่บางคำเนี่ยนะตามแก้ tentang, ตัวตามชดตามใช้อย่างบางทีนะอย่างสถ้าเราไปด่าบางคนเนี่ยะโอ๊ยตามขอโทษตามขอโพยตามขอร้องตามอ้อนวอนตามนั่นแหละเอ๊แล้วเราทำไมเราต้อง ไปตามแก้ในผลแบบนั้นที่ไม่น่าปรารถนาเปรียบเหมือนว่าอะไรตัวเองเป็นจำเลยแก่ตัวเองตลอดไปเนี่ยถ้าทําอย่างนี้ตกเป็นจำเลยตัวเองตลอดไปบางคนนี่เป็นจำเลยแก่ตัวเองตลอดชาติบางคนนี่กว่าแทบจะให้อภัยตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยก็ต้องดูซิว่าก็ถ้าหากว่าเป็นคนที่มีสามัญญาสํานึกผิดชอบชั่วดีอยู่ในใจเนี่ยเอ๊แล้วสิ่งนี้มันสมควรไหมล่าที่เราจะทําก็ต้องระลึกไว้เสมอเอาไหมล่าสิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยนะนึกก่อนตายเอาไหม สิ่งที่เราพูดทุกคำเนี่ยเอาไหมก่อนตายเนี่ยขอจะเอาคำไหนหละ่ะนาเกิดชาติหน้าจะเอาตัวความคิดเม็ดความคิดตัวไหนไปเพราะโลกปฏิสนธิมันก็คือจิตนปะปฏิสนธิจิตแล้วเอาจิตตัวไหนไปนำปฏิสนธิในพบต่ อ, ต, อต่อไปอ้ามันความคิดของเราไม่ใช่หรืออันนั้วทำไมเราต้องทาบาปประกรรมให้ับตัวเองมากมายขนาดนั้นนั้นโอตตะปะนี่ก็คำว่ากลัวภัยที่ ต้องมาตําหนิตัวเองวอง่าเช่นตัวเองเป็นคนทําบุญมาน้อยตัวเองอย่างนั้นตัวเองอย่างนี้เนี่ยนะก็ว่ากันไปส่วนปาราโุวาถ้าภายคนอื่นเขาติเตียนนะคนที่เป็นบัณฑิตเขาเขาเขาติคนที่ควรติชมคนที่ควรชมเรียกว่าบัณฑิตถ้าคนพานเนี่ยนะชมคนที่ควรติติคนที่ควรชมเรียกว่าคนพานวิจารณญาณวิบัต เนี่ยนะเาเรียกว่าวาจาเยี่ยงจบขุดบุญของตัวเองทิ้งหมดเลยเนี่ยนะนะคือคนที่ชมคนที่ควรติติคนที่ควรชมคนเหล่านี้ทับถมบาปให้แกตัวเองหาที่สุดไม่ได้ส่วนบัณฑิตทั้งหลายคือคนที่ติคนที่ควรติชมคนที่ควรชมก็บอกว่าเออเนี่ยเราในฐานะคนศึกษาพุทธศาสนาไม่ติอะไรทั้งนั้นแหละว่างั้นนะนะ ชั่วก็ช่างดีก็ช่างอนนี้ไม่ใช่คําสอนแน่นอนอความคิดอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของบางคนแต่ว่าที่ถูกต้องในคําสอนเป็นอย่างไรที่ถูกต้องก็คื อ, อนะเห็นความชั่วก็ติเตียนความชั่วสันเสริญความดีเพราะไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะสอนอาเสวนาจะพาลานังได้อย่างไรจะสอนบันติตาบันติตานั่นจะเสวนาได้อย่างไรก็เนื่องจากว่าแนะนําว่าอะไรเป็นความดีอะไรเป็น ความชั่วอะไรเป็นใครอย่างไรเป็นคนดีอย่างไรใครเป็นคนชั่วแล้วละเว้นจากคนชั่วคบหาสมาคมกับคนดีได้อย่างไรทีนี้คนดีทั้งหลายเนี่ยนะคนดีทั้งหลายเขาติเตียนความชั่วมันเมื่อคนชั่วเนี่ยเขาก็ต้อง่าว่าต้องมีการถากกันละถ้าหากว่าจะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกันคำว่าเกี่ยวข้องกันเช่นต้องคบเห็นการต้องพูดคุยกันเนี่ยนะเขากล่าวว่าโลกนี้มันมีสองอย่าง การครบหาสมาคมกับใครถ้าเราไม่โอนไปหาเขาเขาก็โอนมาหาเราเชื่อเถอะบัณฑิตแท้เนี่ยเขาไม่โอนไปตามคนผ่านแน่นอนก็ต้องดูว่าคนผ่านพร้อมที่จะขัดเกลาตัวเองน้อมไปตามบัณฑิตรหรือไม่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยจึงแนะนําวิธีการเกี่ยวข้องกับคนอื่นวิธีคบคนอื่นเนี่ยนะบอกคบอย่างไรพึงคบคนอย่างน้อยที่สุดท้าไม่ได้ต้องเสมอตน หรือยิ่งไปกว่าถ้าเจอคนที่เสมอตนหรือยิ่งกว่าตนดีกว่าตนเก็บใจของตนปล่อยว่าถือว่ายกสิทธิ์ที่เหมือนกับว่าชีวิตของเราแล้วแต่เขาเพราะวิจารณญาณของเขาดีดีเท่าเราหรือว่าดีกว่าเราถ้าเจอคนดีขนาดนั้นแคว่าเก็บใจของตนประพฤติตามใจของของบุคคลนั้นแต่ถ้าหากว่าหาคนอย่างนั้นไม่ได้ อยากคบคนพาลเด็ดขาดพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหนอแรกเท่านั้นนะให้เที่ยวไปแต่ผู้เดียวไม่ใช่ไปทําชั่วนะก็คือไปเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะการสมาคมกับคนพาลไม่มีเนี่ย น, นะเพราะท่านบอกว่าการสมาคมกับคนพาลเนี่ยไม่นํามาซึ่งศีลการสมาคมกับคนพาลไม่นํามาซึ่งมหาศีล จุลศีลมชิมศีลมหาศีลทุดงสมถะวิปัสนาฌานอภินยาเป็นต้นคุณธรรมทั้งมวลไม่ได้เกิดจากคนผ่านมีแต่อันตรายมีแต่อุปสรรคมีแต่เรื่องเลวร้ายทั้งหลายอันตรายทุกชนิดเกิดจากคนผ่านเห็นพน การสมาคมกับคนพาลแม้แต่เพียงครั้งเดียวก็ตราบาปติดตัวตลอดไปเนี่ยนะเช่นอะไรสมมติถ้าเป็นผู้หญิงแล้วไปถูกคนพาลข่มคืนครั้งเดียวจะตราบาปติดตัวตลอดชาติเลยอย่างเงี้ยนะบางคนก็ปั้มปั้มเปอรเปไปตลอดชีวิตไปเลยก็เพราะอะไรเพราะสมาคมเจอกับคนพาลครั้งเดียวเจอคนพาลครั้งเดียวก็ไปประสบอุบัติเหตุแล้วเป็นยังไงก็พิการไปตลอดชีวิตมันคนพาลเนี่ยนะอย่างสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและ ต, ต่อไปตรงกันข้ามกับบัณฑิตทั้งหลายละ่ะบัณฑิตทั้งหลายนําประโยชน์แม้พบกันเพียงชั่วครู่หนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สําเร็จตลอดไปเนี่ยนะอย่างเช่นชัมพุกะชีวกใช่ไหมเป็นอาชีวกคนละละทัทธิพบพระพุทธเจ้าครั้งเดียวเท่านั้นแหละตอนหลังก็ได้สําเร็จเป็นท่านาคามีปรินิพานที่เอาวิหาพร ม, มโลกเนี่ยนะสำเร็จเป็นท่าอรหันท์ที่อาวิหาพร ม, มโลกนั้นบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยแม้แต่คบสมาคมกันเพียง ครั้งเดียวมันบัณฑิตเนี่ยนะเขาติสิ่งที่ควรติชื่นชมในสิ่งที่ควรชื่นชมพระพุทธเจ้าตําหนิคนที่ควรตําหนิในพระวินัยกล่าวว่าดูก่อนโมฆะบุรุษเนี่ยนะการกระทําของเธอไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสัมมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเสร็จ แ, แล้วพระองค์ก็ติโทติเตียนโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากติเตียนโทษแห่งความบํารุงเป็นคนมักมากความเป็นคน ไม่มักน้อยไม่สันโดษเนี่ยก็ติเตียนไปแล้วก็ชื่นชม น, นะความเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบความเป็นคนมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียรแล้วก็ชื่นชมสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมทั้งหลายเพรา ะ, ะถ้าหากว่าพลาดไปทำชั่ว น, นะบัณฑิตทั้งหลายก็ติเตียนนั้นการคำพูดของบัณฑิตเนี่ยนะท่านบอกว่า บัณฑิตพูดแต่เป็นอัตเป็นธรรมแต่ความชั่วที่มีอยู่ในคนพานทำให้คนผ่านกระอักเลือดตัเองเนี่ยนะก็บอกว่ามีอยู่สูตรหนึ่งบอกว่าพระพุทธเจ้าในขาดเมตตาจังเลยดูสิสอนสูตรหนึ่งสูตรภิกษุกระอักเลือดตั้ง60รูปบอกว่าไอ้กระอักเลือด60รูปไม่ใช่เพราะคำสอนแต่เพราะเป็นความผิดของพระภิกษุเหล่านั้นเองเพราะในสูตรเดียวกันเนี่ย หกรูปสําเร็จเป็นผ้าอรหรันอีกหกสิ revenues, ส Guys, รูปสิขาลาเพศอีกหกสิรูปกระอักเลือดไอที่กะอักเลือดเพราะความชั่วของตนไม่ใช่เพราะคําสอนเนี่ยนะไม่ใช่เพราะคําสอนแต่พระองค์ก็ตําหนิสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเนี่ยนะ เ, ะเพราะพระองค์เป็นผู้ที่กําจัดสิ่งที่ไม่มีคุณออกไปกําจัดสิ่งที่เป็นโทษออกไปแล้วก็หันเหหันเข้าหาสิ่งที่เรียกว่าเป็น ประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยนะมันบัณฑิตบัณฑิตหรือคนที่มีโอตตะปะจะทําชั่วแม้แต่อย่างหนึ่งกระนัเรียกว่าเนี่ยแล้วคนอื่นเขาจะว่าอย่างไรเนี่ยนะกเรียกว่ากลัวเสียงวิจาร์ของบัณฑิตอีกอันต่อไปเนี่ยนะถ้าทําความชั่วเหล่านี้แล้วนะถ้ามันผิดกฎหมายแล้วถูกได้รับการลงโทษอย่างไรเนี่ยนะเสียค่าปรับเท่าไหร่นะสิ่งนี้เสียค่าปรับเท่าไหร่สิ่งนี้จําคุกกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือว่ามีโทษถึงประหารมันก่อนไปอ่านหนังสือ คำสารภาพสุดท้ายของโทษประหารเลยนะบอกโอ๊ยชีวิตนี้มันชาติเดียวเพราะว่างั้นคุมแล้วว่างั้นเอานักโทษประหารบางคนเนี่ยนะก็อย่างเนี้ยที่เรียกว่าทันดภัยภัยคือการกลัวลงอาทยาบางคนเนี่ยนะบางคนเขาก็เขามีสามัญญสํานึกเขากลัวการลงโทษมากเนี่ยนะทําใจไม่ได้หรอกที่จะต้องไปอยู่บางสถานที่เนี่ยนะกำแพงสี่เหลี่ยมเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าบางที่ทําใจได้บางที่ ทำใจไม่ได้ตายมันก็ตายเหมือนกันนี่แหละตายเพราะคนอื่นช่วยให้ตายเรียกว่าโทษประหารกับตายตามอายุไขขอตายแบบไหนเนี่ยนะเพราะันก็รังเกียจความรังเกียจชีวิตที่จะต้องไปอยู่ได้รับการควบคุมเรียกว่าถูกลงโทษเนี่ยนะหรือรังเกียจการเรียกว่าอะไรนะมีคนอื่นมาสั่งสั่งเป็นสั่งตายกับเราไม่ต้องการแบบนั้นต้องการใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีโทษนี้ปัจจุบันและต่อไป กลัวทุกขติทุแปล ว, ว่าไม่ดีคติแปล ว, ว่าที่ไปที่ไปที่ไม่ดีมีอะไรบ้างนรกที่ไปที่ไม่ดีคือนรกที่ไปที่ไม่ดีคือเดรชานที่ไปที่ไม่ดีคือเปรตอสุ ร, รกายทั้งหลายเพราะฉนั้นมองเห็นเดรชานปับ๊บถ้าสิ่งเหล่านี้มีหิรินะมันไม่เกิดมาเป็นอย่างนี้หรอกถ้าเดรชานทั้งหลายมีหิริโอตตาปะก็คงไม่เกิดเป็นเดรชานแต่เนื่องจากขาดหิริโอตตาปะนั่นแหละจึงเกิดเป็น เดราชามันพฤติกรรมของเดราชานเป็นพฤติกรรมของผู้ที่ไม่มีฮิริโอตตะ ป, ปะเนี่ย น, นะเพราะนั้นดูพฤติกรรมที่ที่เขาอยากทํเขาก็ทําอยากเหาเขาก็เหาา ón, ่ า, าอยากหอนเขก็หอนอยากนิ่งเขาก็นิ่งอยากทําอะไรก็ทําอย่างที่ใจอยากจะทํายิ่งเดราชานไม่ใช่อย่างเดียวนะอย่างอื่นก็เป็นอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะไม่มีฮิริโอตตะ ป, ปะขาดฮิริโอตตัปสนาเนี่ย น, นะเป็นอริยทรัพย์ที่ควรเจริญควร ทำให้มากเนี่ยนะเป็นอริยทรัพย์เป็นมรดกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นว่าพระองค์กลั่นกรองพิจารณาเห็นว่าฮิริโอตปะนี่แหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดศีลศีลศีล น, นี่แหละเป็นสังวรเนี่ยนะศีลก็เป็นเหตุให้เกิดอวิปปติสารสรุปว่าฮิริโอตปะเป็นฐานรองรับการบรรลุ ค, คุณธรรมทั้งปวงเนี่ยนะคุณธรรมทั้งปวงนั้นมีฮิริโอตปะเป็นเป็นเหตุใกล้ก็ไม่ผิดเนี่ยนะ ก็คือหมายความว่าฐานรองรับชั้นเลิศฐานรองรับชั้นดีเพราะหิริโอตปะไม่มีศีลก็ไม่มีเมื่อศีลไม่มีสมถาวิปัสนาเป็นต้นก็ไม่มีถ้ามีหิริโอตปะก็มีศีลศีลจึงจะรองรับสมถาวิปัสนารองรับมรรคผลต่อไปนั่นคนที่มีหิริโอตัปาจึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติรองรับคุณธรรมต่างๆใน พระพุทธศาสนาได้เนี่ยนะซึ่งหิริโอตปะเหล่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตปะเนี่ยนะพระองค์มีจารณะคือมีหิริโอตปะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยหิริโอตปะบางครั้งเนี่ยนะในเหตุการณ์หลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งหิริเป็นเหตุเป็นตัวเนี่ยนะเป็นตัวให้เรารักษาศีลได้ บางกรณีโอตะปะเป็นตัวเหตุให้รักษาศีลได้หลายกรณีก็ทั้งหีริและโอตะปะเป็นเหตุให้รักษาศีลเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีหีริโอตะปะก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีโอตะปะหีริก็เกิดไม่ได้ฮีริโอตะปะจึงเป็นโลกกับปาละธรรมเป็นธรรมที่รักษาโลกเนี่ยนะ บทว่าเยสันจะฮิริโอตัปังความว่าถ้าสัตว์เหล่าใดเข้าไปตั้งธรรมะคือตั้งฮิริโอตัปะเอาไว้อย่างถูกต้องอ น, นะตั้งไว้ในใจว่าใจของเราเนี่ยนะอย่างที่ที่ในสัลเลขสูดใช่ไหมว่าชนเราอื่นจักไม่มีหิริเราทั้งหลายจักมีหิริชนเราอื่นจักไม่มีโอตัปะเราทั้งหลายจักไม่มีโอตัปะเราทั้งหลายจักมีโอตัปะ เอาคนเราอื่นไม่มีฮีริเราต้องเป็นด้วยไหมคนเราอื่นไม่มีโอตะปะต้องเป็นด้วยไหมเนี่ยนะชนเราอื่นไม่อายชั่วกลัวบาปเราต้องไม่อายชั่วกลัวบาปด้วยไหมจําเป็นไหมถ้าเป็นภายนอกอันนี้เห็นชัดคนอื่นเขาเขายอมอดเขาไม่ยอมกินเรายอมด้วยไหมเอาคนอื่นป่วยเรายอมป่วยด้วยไหมคนอื่นเป็นเอชขอขอหนามลายหน่อยไหมไม่เอานะที่อย่างอื่นได้ร้ายอย่างก็ไม่เอาบอกเป็นวันโรคเป็นโรคปอดบอกหายใจรดหน่อยเธอเนี่ยนะ ก็ไม่เอาอีกนั่นแหละร้ายอย่างเราก็ไม่ยินยอมเราก็ไม่เอาและหิริโอตะ ป, ปะแล้วไปช่องเสพเอามาทําไมเนี่ยนะมันต้องตั้งอัตตะสัมมาปณิทิให้ใจนั้นประกอบด้วยหิริโอตะ ป, ปะสมาทานอธิษฐานให้หิริโอตะ ป, ปะนั้นดํารงมั่นแล้วก็ตั้งมั่นไว้อย่างถูกต้องท่านบอกว่าตั้งไว้ถ้าบวชเข้ามาตั้งแต่นวากะตั้งแวันบวชจนถึงครบพรรษาห้ามัชชิมะพรนศาห้าถึงสิบแล้วก็เทระก็คือ เทระหมายถึงว่าสิบพรรษาขึ้นไปเรียกว่าเทระเนี่ยนะเทระทีระแปลว่ามั่นคงมั่นคงด้วยศีลเป็นต้นเรียกว่าพระทีระพระเถระก็คือผู้ที่มั่นคงด้วยศีลเนี่ยนะท่านนาวา ก, าก็บอกว่าเป็นผู้ใหม่ในาศาสนาเป็นผู้ใหม่ในศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเรียกว่าพรรษาไม่เกินหเรียกว่าผู้ใหม่พรรษาไม่เกินสิบเรียกว่า ปานกลางถ้าพรรษาสิบขึ้นไปหรือ ว, ว่าเป็นผู้ที่มั่นคงในศีลเป็นต้นเนี่ยนะเพราะถ้าศีลไม่มั่นคงเนี่ยจะอยู่ในศีลเป็นต้นได้เป็นสิบปีได้หรือกล่าวว่าเทระมั่นคงมันถ้าหากว่าจะเป็นเทระมัชชิมะนวะกะก็ตามก็ดํารงอยู่ในศีลอยู่ตลอดวันตลอดคืนเนี่ยนะตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีตลอดอะไรตลอดปฐมวัยมัชิมวัยและ ประชิมอวัยแล้วก็ตลอดไปมันถ้าหากว่าดํารงมั่นอยู่ด้วยฮิริโอตตะอย่างนี้สมาทานไว้มั่นอย่างนี้จะรองรับตะทางข้าประหารคือศีลและวิปัสสนาทั้งหลายรองรับตทางค้าประหารและอะไรละความทุศีลด้วยศีลละมิจฉาทิฐิด้วยสัมมาทิฐิเนี่ยนะละอัตตะสัญญาสัตตะสัญญาด้วย ทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยนะละความสงสัยในอดีตอนาคตปัจจุบันด้วยข้ามความสงสัยด้วยกังขาวิตรณวิสุทธิล ะ, ะความยึดถือว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราด้วยอนุปัสนาทั้งหลายละนิจจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสนาละสุขสัญญาด้วยสุขทุขานุปัสนาละอัตตสัญญาด้วย อนิจจานุปัสสนาละความเพลิดเพลินด้วยนิพพิธาวิรานิพพิธานุปัสสนาละสมุทัยเนี่ยนะเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยนิโรธานุปัสสนาละราคะด้วยวิราคานุปัสสนาละอาธานะความยึดถือต่างๆด้วยปฏิเนศาคานุปัสสนาเนี่ยนะแล้วก็ละโดยละการมฉันทะด้วยเนคข ม, มะ เนี่ยนะละพยาบาทด้วยอภยาบาทละทีนะมิถะด้วยอโลกสัญญาละวิจิกิจชาด้วยการกําหนดธรรมละอารติด้วยปราโมทละความสงสัยด้วยยานะแล้วก็ละอวิชชาด้วยปัญญาหรือด้วยยานะเนี่ยนะแล้วก็ค่อยๆละนิวนด้วยปฐมฌานละวิตกวิจารณด้วยทุติยฌานละปีติด้วยตติยฌานละสุขทุกโสมนัตโธมนัตก่อรดด้วยจตุทฌานละรูปประสัญญารูปประฌาน ละกามาวจรทุกชนิดด้วยอรูปคือกอากาสานัญใจยตนะเป็นต้นเนี่ยนะก็คือละสกายทิถิวิจิกิจฉาศีลพัตะปรามา ด, ด้วยโสดาปฏิมักละกามราคะปฏิฆะหรือละราคะโทสะโมหะอย่างหยาบด้วยสกทาคามิมักละกามราคะปฏิฆะอย่างละเอียดด้วยอนาคามิมักละอาสวะทั้งปวงด้วยอรหัตตมักก็จะเจริญในาศาสนาพรหมจร์ วีโลหะบ ร, รมจริยาความว่าสัตว์เหล่านั้นถึงความงอกงามงอกงามก็คือโตโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, น, นในศาสนาพรหมจาร์คืออธิศีลอธิ จ, จิตและอธิปัญญาพร้อมมัคคพรหมจารย์ก็คือโสดาปฏิมัคสก่าทาคามิมักเนี่ยนะเจริญในศาสนาพรหมจารมัคคพรหมจารย์ เพราะเป็นผู้สงบความเศร้าหมองกิเลสคือความเศร้าหมองความหม่นหมองเรียกว่าสังัดจากโรคใจได้ทุกชนิดเนี่ยนะโรคที่เกิดจากราคะโทสะและโมหะทุลีคือราคะโทสะโมหะมนทินความเศร้าหมองจากราคะโทสะโมหะเพราะมีคุณธรรมโดยประการทั้งปวงบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้งปวงมีฐานรองรับคือ ฮิริโอตะ ป, ปะพระามสามารถที่จะบรรลุคุณธรรมชั้นสูงมีพบสิ้นแล้วเพราะอะไรเพราะตัดเหตุให้เกิดพบได้แล้วเนี่ยนะมันก็ในธรรมสูตรก็แสดงจบลงที่อรหัตผลแต่ว่าในบทที่เรากล่าวถึงในบทว่าพราะองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตะ ป, ปะเพราะถือว่าหิริโอตะ ป, ปะเป็นฐานใหญ่ในการรองรับคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยนะมันก็ด้วยผลที่ได้กล่าว พุทธคุณบทว่าวิชาจารณะสัมปันโนพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยหิริโอตปะเนี่ยนะนะขอหิริโอตปะจงเจริญ ง, งอกงามในจิตใจของเราทั้งหลายเป็นฐานรองรับการตรัสรู้ ร, รมชั้นสูงขอให้ทุกท่านเจริญ ง, งอกงามในพระพุทธศาสนาด้วยการทุกท่านอนุโมทนาวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้